เรื่องพระมหาปันธกะเทระพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารคพระเทระชื่อมหาปันธกะความพิสดารว่าท่านพระมหาปันธกะลายปราจุลปัตกะน้องชายเพราะไม่อาจท่องคาถาบทหนึ่งให้คล่องได้โดยสี่เดือนกล่าวว่าเธอเป็นผู้อาพาพในพระศาสนาทั้งเป็นผู้เสื่อมลาภจากข้ารหั ประโยชน์อะไรด้วยการบวชจงออกไปจากวิหารนี้ภิกษุทั้งหลายต่างสนทนากันว่าพระมหาปันธาะเป็นพระกีนาศพทำไมจึงยังมีความโกรธอยู่อีกพระศาสดาทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกิเลสทั้งหลายอันมีราคะโทสะโมหะย่อมไม่มีแก่พระกีนาศพทั้งหลาย แต่บุตรของเราทำกรรมนั้นมุ่งประโยชน์โดยอัถะเป็นเบื้องหน้ามุ่งธรรมะเป็นเบื้องหน้าดังนี้แล้วตรัสเป็นพระคาถาว่าราคะโทสะมานะละมัคขะอันผู้ใดทำให้ตกไปแล้วเหมือนเมล็ดพันุ์ผักกาดตกไปจากปลายเหล็กแหลมฉะนั้นเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหม อธิบายคำว่ามานะได้แก่ความถือตัวถือตนมัคคะได้แก่ความอวดดีแข่งดีลบหลู่คุณของผู้อื่นเป็นลักษณะในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิพลเป็นต้นดังนี้แหละ